จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรรนาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่15เมษายนพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการวันหยุดสงกรานต์จึงได้ใช้วันหยุดนี้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดกำไรแก่ชีวิตของเราด้วยการมาทำบุญเพราะการทำบุญนี้เป็นเหมือนการนำเอาเงินทอง เข้าไปฝากไว้ในธนาคารถ้าเราทําบุญมากเท่าไรเราก็จะมีเงินสะสมในธนาคารมากเท่านั้น <elim. S 1> เวลาที่เราต้องอาศัยต้องการจะใช้เงินเราก็สามารถไปเบิกได้ในธนาคารบุญนี้ก็เช่นเดียวกันเรามาทําบุญ เราก็เอาบุญไปฝากไว้ในธนาคารบุญคือใจของเราใจของเรานี้เป็นที่รับฝากทั้งบุญและทั้งบาป <c oughs> ถ้าถ้าทําบาปก็เท่ากับไปกู้หนี้ยืมสินจากธนาคารถึงเวลาก็ต้องใช้หนี้ถ้าทําบุญ ถึงเวลาก็จะได้รับตอกเบีย้ยและถ้าต้องการถอนก็ถอนออกมาได้หมดการทาบุญนี้จึงเป็นเรื่องที่สาคัญต่อจิตใจของเราเพราะบุญเท่านั้นที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอมีความปลอดภัย จากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงทั้งในชาตินี้และชาติที่จะตามมาต่อไปเราจึงควรพยายามทำบุญกันให้มากๆทำได้มากเท่าไหร่ก็จะได้กำไรมากเท่านั้นบุญนี้ก็มีอยู่หลากหลายด้วยกันที่เราต้องทำกันเหมือนกับอาหาร ที่เรารับประทานมีหลากหลายชนิดด้วยกันบุญที่เราทำกันในวันนี้ก็มีการให้ทานนะเช่นนากับข้าวกับปลาอาหารของคาวของหวานมาให้เรียกว่าเป็นทานนะนอกจากทานแล้วเราก็ยังรักษาศีลศีลนะ น, นี่ก็เป็นบุญอีกอย่าง ตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปศีลห้าศีลแปศีลสบศีล2อรีเเป็นการปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ทุกข์ไม่ให้กังวลเพราะการกระทำที่ผิดศีลนี้จะทำให้จิตใจต้องว้าวุ่นขุ่นมัว วิตกกังวลพอเราไม่ได้ทําผิดศีลเร า, า, ารักษาศีลได้ใจของเราก็จะมีความสุขมีความสบายใจไม่ต้องหวาดกลัววิตกกังวลกับผลที่เกิดจากการทําผิดศีลที่จะตามมานอกจากศีลแล้วเราก็ภาวนาบุญเกิดจากการภาวนา คือทำจิตใจให้สงบเรียกว่าสมถภาวนาสอนใจให้ฉลาดให้รู้ทันกิเลสตัณหาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาภาวนานี้เราก็ทําเวลาที่เราอยู่ตามลําพังเพราะการภาวนานี้ต้องไม่มีอะไรมารบกวนใจต้องหาที่สงบเช่นอยู่ในห้องนอง ห้องนอนห้องพระสวดมนต์ก็เป็นการทำสมาธิหรือนั่งหลับตาบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกนี่เรียกว่าเป็นสมถภ า, ภาวนาทำจิตใจให้สงบหลังจากที่จิตใจสงบแล้วแล้วเราออกจากควาสมสงบออกมาจากสมาธิเราก็มาสอน ใจให้ฉลาดด้วยการเจริญวิปัสนาเจริญปัญญาพิจารณาใจรักคืออนิจจงทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นตั้งร่างกายของเราก็ดีร่างกายของผู้อื่นก็ดีเป็นใจรักคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติด ไม่ใช่ตัวเราของเราควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้ถ้าเราเข้าใจไตรลับในสิ่งใดเราก็จะปล่อยวางเราจะไม่ยึดไม่ติดไม่ต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรารู้ว่าเขาจะต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเช่นร่างกาย เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไข่ก็ตามนี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเราสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่หลงไม่ลืมพอเราไม่หลงไม่ลืมเราก็จะไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์ใจไม่กังวลใจ เราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือเรื่องของการภาวนาส่วนบุญที่เราทำกันอยู่ก็มีอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นเวลาที่เราทำบุญแล้วเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ร่วงลับไปแล้วเหมือนกับส่งของไปทางปลายสี เราคิดถึงใครเราอยากจะให้เขาได้รับสิ่งของเราก็ส่งไปทางไปเสน่ห์ผู้ที่รับอยู่ปลายทางถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับไปถ้าเขาไม่ได้รอรับเขาก็จะส่งกลับมาหาคนหาผู้ส่งนั้นบุญอุเทนนี้เราจะไม่สูญเสียไปถึงแม้ผู้รับจะไม่ได้รอรับอยู่ก็ตาม พราะผู้รับนี้อาจจะมีฐานะที่ไม่จําเป็นที่จะต้องรับส่วนบุญที่เราอุทิศไปเช่นถ้าเขาไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าเขาก็ไม่ต้องมีบุญที่เราส่งไปเพราะบุญที่เราส่งไปนี้มันน้อยมากเมื่อเปรียบกับบุญที่เขามีอยู่เขาเป็นเศรษฐีบุญอยู่แล้ว เพราะในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาทำบุญอย่างสม่ำเสมอให้ทานอย่างสม่ำเสมอรักษาศีลภาวนาอย่างสม่ำเสมอใจของเขาจึงมีบุญมากจึงไม่ต้องมารอรับบุญของผู้อื่นผู้ที่จะรับส่วนบุญได้นี้ mm hmm. ก็คือพวกที่เวลามีชีวิตอยู่ไม่ชอบทาบุญ ชอบแต่ทำบาปทำด้วยความโลภทั้งๆ ท, ที่มีเหลือกินเหลือใช้พอกินพอใช้แต่ก็ยังอดที่อยากจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกไม่ได้มักจะหามาด้วยการกระทำบาป ก, การกระทำอย่างนี้จะทำให้จิตใจนี้มีความหิวอยู่ตลอดเวลานะเวลาตายไปไม่มีบุญให้หล่อเลี้ยงจิตใจ ก็มีแต่ความหิวโหวยต้องไปเข้าฝันไปขอส่วนบุญจากผู้อื่นพวกนี้เป็นพวกที่จะรับส่วนส่วนบุญที่เราอุทิศไปได้ส่วนพวกที่ไปตกนรกนี้ก็จะไม่มีสติสตังพอเพราะตอนนั้นกำลังถูกไฟนรกเผาไหม้หัวใจอยู่มีแต่ความทุกข์ทรมานใจ อย่างเดียวก็ไม่สามารถรับบุญที่ผู้อุอทิศไปให้ได้นี่คือบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญเวลาเราทําบุญแล้วเราคิดถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราสงสารกลัวว่าเขาจะลําบากลําบนเราก็อุทิศสมบุญนี้ไปเวลาที่พระสงฆ์ทท่านอ ญาาสักพีก็เป็นเวลาที่เราจะอุทิศบุญนั้นไปความจริงการอุทิศบุญนี้ไม่ต้องมีพระมาญาถาสักพีให้กับเราก็ได้เพราะมันไม่เกี่ยวกันญาถาสักพีนี้เป็นการสอนของพระสอนว่าบุญที่เราทำนี้เราสามารถอุทิศให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วส่วน อีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสักพีก็เป็นการอนุโมทนาแสดงความยินดีต่อการทำบุญของของศรัทธายาดโ ย, ยนั้นเวลาที่เราจะกรวดน้ำนี้เราสามารถกรวดได้เวลาใดก็ได้แต่จะนิยมกรวดกันตอนที่เราทำบุญกันเสร็จแล้วเพราะตอนนั้นบุญยังมีอยู่ในใจของเราถ้าเรา ไปทำเรื่องอื่นแล้วเกิดไปทำอะไรที่ไม่พอใจเกิดความเสียใจขึ้นมาบุญที่เราทำไว้ก็จะถูกกลบไปเพราะว่าความเสียใจนี้จะเข้ามาแทนที่ตอนนั้นเวลาจะอุทิศบุญไปมันก็มีแต่ความเสียใจความไม่สบายใจแล้วจึงนิยมปวดน้ำกันในขณะที่เรา ทำบุญเสร็จใหม่ๆการอุทิศบุญนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ําน้ํานี้ก็เป็นน้าน้ําไม่ใช่บุญเพียงแต่เขาใช้น้าเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของกระแสบุญก็คือกระแสจิตของเราที่เป็นนามมาทมที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราเลยใช้น้าเป็นตัวแทนเวลาเรา กวดาน้ำเราก็ระลึกถึงผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเช่นอุทิศว่าขอให้บุญส่วนนี้ได้ไปถึงผู้นั้นผู้นี้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วจะเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติสนิทวิเศษหายก็ได้ดังนั้นการอุทิศบุตรีจึงไม่จำเป็นจะต้องมีน้ำถ้าไม่มีน้ำก็อุทิศได้ มีน้ำแต่ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ก็ไม่มีไม่มีบุญที่จะให้อุทิตเทน้ำไปทั้งวันมันก็ไม่ไปไหนมันก็ลงดินไปเราต้องทำบุญแล้วอุทิตด้วยกระแสจิตของเราเองในขณะที่จิตของเรากำลังมีความสุขความสบายใจเราก็จะอุทิตบุญคือความสุขความสบายใจให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วดังนั้น ไม่ต้องกังวลว่าเวลาเราทำบุญแล้วไม่มีพระมายะถาสัพพีให้กับเราอันนี้เป็นธรรมเนียมที่ทำกันมาเท่านั้นเองไหนๆพระจะยะถาสัพพีแล้วญายิโยมก็เลยใช้โอกาสนี้วดวลน้ำไปในตัวการยะถาสัพพีนี้ก็แบ่งเป็นสองส่วนเวลายะถาก็เป็นการกล่าวถึงเรื่องการอุทิศบุญ ตอนนั้นญาติโยมก็กวดน้ำไปพอพระเริ่มสวดสัพพีติโยวิวัชฌังตุตอนนั้นเรื่องของการกวดน้ำก็เสร็จแล้วควรจะเทน้ำที่เหลืออยู่ให้หมดแล้วนั่งพนมมือรับพรต่อไปเพราะการสวดสัพพีนี้ก็เป็นการให้พรญาติโยมนั่นเองแต่พรที่พระให้นี้มันไม่เป็นผลแต่อย่างใด เป็นการแสดงความปรารถนาดีเท่านั้นเหมือนกับเราส่งสอขอสอให้แก่ผู้อื่นปรารถนาให้เขามีความสุขแต่เขาจะมีความสุขหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวเขาเองถ้าเขาทำดีเขาก็จะมีความสุขถ้าเขาทำชั่วเขาก็จะไม่มีความสุขต่อให้พระสวดสพัพเให้ญาติโยมทั้งวันถ้าญาติโยมไม่ทำความดี ทำแต่บาปทำแต่ความชั่วญาติโยมก็ไม่ได้รับพรเพราะพรนี้ต้องเกิดจากการกระทำของญาติโยมเองเป็นกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผู้อื่นจะสาปแช่งเราเราก็ไม่ชั่วตามคำสาปแช่งของผู้อื่นผู้อื่นจะให้พรเราให้เราวิเศษวิโสอย่างไรเราก็ไม่วิเศษวิโสตามการให้พรของผู้อื่น การที่เราจะดีหรือจะชั่วนั้นต้องเกิดจากการกระทำของเราทางกายวาจาและทางใจนี่คือเรื่องของการอุทิศบุญเรื่องของการรับพรขอให้เราเข้าใจว่าการให้พอนี้เป็นการแสดงความยินดีแสดงความปรารถนาดีเท่านั้นแต่ไม่มีผลอย่างไรต่อชีวิตของเราผลที่จะเกิดขึ้นนี้ต้องเกิดจากการกระทำของเรา ถ้าเราให้ทานแล้วเ่อราให้พระไม่ให้พอเราก็เราก็ได้พรแล้วเราได้รับความดีเราได้รับผลดีคือความสุขใจแล้วเราจะมีคนรักเราเคารพเราเพราะการให้ผู้อื่นนี้เป็นการทำให้ผู้อื่นนี้เขามีความสุขและเมื่อเขาได้มีความสุขแล้วเขาจะมาโกรธมาเกลียดเราได้อย่างไรแต่ถ้าเราไปทำบาปไปเบียดเบียนผู้อื่น ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น <c oughs> เรอให้มีพระมาะให้พรเราเราก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขได้มีความเจริญได้ <c oughs> เพราะมีแต่คนเขาจะเกลียดชังเราอยากจะทําร้ายเรา <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่ตัวของเราเองอยู่ที่การกระทําของเราที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มีความสูงต่างไม่เท่ากัน มีความฉลาดมีความโง่ไม่เท่ากันมีรูปร่างหน้าตาไม่เท่ากันมีสติปัญญาไม่เท่ากัน <c oughs> ก็เพราะว่าเราทำมาไม่เท่ากันนั่นเองคนที่ทำมากก็จะมีมากคนที่ทำน้อยก็จะมีน้อยความเจริญของพวกเราจึงต่างกันไปบางคนก็เจริญมากเป็นถึงนายกเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินได้บางคนก็เจริญน้อย ต้องเป็นขอทานข้างถนนหรือต้องไปทำงานกรรมกรแบกห้ามนี่ก็เป็นเพราะว่าทำบุญมาไม่เท่ากันนั่นเองดังนั้นเดินขอพูดให้ทราบว่าอย่าหลงประเด็นอย่าไปคิดว่าเวลาอยากเจริญอยากจะมีความสุขก็ไปขอพรจากพระถ้าพระให้พร อ, อย่างนี้ได้พระก็เจริญกันไปหมดแล้ว เป็นพระอาหารหันต์กันไปหมดแล้วไม่ต้องมานั่งมามาขออาหารจากญาติโยมรับประทานเราต้องเชื่อในกฎแห่งกรรมเนะชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ถ้าใครก็จะให้พรเราเราก็รับได้ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่อย่าไปหวั่นไหวหรืออย่าไปดีใจเกินเหตุเกินผลพอที่ว่าเขาให้พรนะแล้วเราก็จะ ดีตามที่เขาให้หรือเขาด่าเราแล้วเขาสาปเราแล้วเราก็จะเป็นตามที่เขาสาปมันเป็นไปไม่ได้คำพูดของคนนี้ไม่สามารถที่จะไปทําให้คนนั้นดีหรือชั่วได้อยู่ที่การกระทำเท่านั้นของแต่ละคนนี่คือเรื่องของการอุทิศบุญที่เราทากันนอกจากการอุทิศบุญแล้วก็มีเรื่องอนุโมทนาบุญ คือเวลาผู้อื่นเขาทำบุญเราควรจะแสดงความยินดีชื่นชมยินดีสนับสนุนเขาถ้าเราร่วมด้วยได้ก็ร่วมไปอย่าไปขัดขวางอย่าไปกัดแกล้งอย่าไปทำให้เขาไม่ได้ทำบุญอย่าไปทำให้เขาควายเขวเราไม่เชื่อการทาบุญก็เรื่องของเราเขาเชื่อก็ปล่อยเขาทำไปอย่าไปบอกเขาว่าอย่าทำเลยทำแล้วไม่ได้อะไร ตายไปแล้วก็ศูนย์นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็เชื่อของเราไปแต่เราอย่าไปขวางคนอื่นคนอื่นเขาเชื่อเขาจะทำความดีแล้วเขาไม่ไปทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็ควรที่จะส่งเสริมเขาถึงแม้ว่าถ้าตายไปไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกแต่อย่างน้อยการทำความดีในปัจจุบันมันก็เป็นผลดีกับผู้อื่นและกับตัวเขาเอง อย่าไปขวามอย่าไปห้ามคนที่เขาทำความดีคนที่จะสนับสนุนเขานี่คือเรื่องของการอนุโมทนาบุญเมื่อเราอนุโมทนาแล้วใจของเราจะมีความสุขเราจะชื่นชมยินดีไปกับเขาด้วยแล้วยิ่งถ้าเราได้ร่วมทำกับเขาด้วยเราก็ยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปด้วยดัยงนั้นเราควรที่จะอนุโมทนาบุญเสมอเวลาเรา ทราบว่ามีใครเขาทำบุญทำความดีขอให้เราช่วยกันสนับสนุนสังคมของเราจึงจะอยู่กันได้อย่างมีความนุ่มเย็นเป็นสุขถ้าทุกคนสนับสนุนกันช่วยเหลือกันชวกนกันทำแต่ความดีนี่เรียกว่าการอนุโมทนาบุญบุญอีกอย่างที่เราควรที่จะทำก็คือการมีความอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะว่าการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนนี้เป็นผู้ที่ไม่มีใครรังเกียจเป็นผู้ที่มีแต่คนรักมีคนชอบเพราะทุกคนนี้ไม่อยากจะให้ใครเขาใหญ่กับเราตักับเราการที่เราไปอวดเก่งอวดโตอวดรู้อวดดีนี้ไม่มีใครเขายินดีแต่ถ้าเราทำเป็นผู้ถ่อมตนอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะ เราไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเราก็จะได้รับการต้อนรับเราจะได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือเพราะเห็นว่าเป็นคนดีนั่นเองแล้วเราก็จะมีความสุขเพราะเราจะอยู่กับคนอื่นได้อย่างมีความสุขเวลาเราเดือดร้อนก็จะมีคนยินดีที่จะช่วยเหลือเราในทางตรงขันข้าถ้าเราเป็นคนอวดดีอวดเก่ง อวดใหญ่อวดโตอวดรู้พวกนี้จะไม่ค่อยมีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยและเวลาที่เขาเดือดร้อนเรือตกทุกข์ได้ยากก็มีแต่จะคนก็มีแต่จะถูกสมน้ำหน้าแทนที่อยากจะช่วยเหลือก็ไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือเพราะอวดเก่งอวดดีว่าตนเองสามารถทำอย่างนั้นทาอย่างนี้ได้ เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีใครจำเป็นที่จะต้องไปช่วยเหลือเขาดังนั้นขอให้เราพยายามหัดนิสัยให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอย่าอวดเบ่งอวดเกง่งอวดยายอวดโตเพราะมันจะต้องไปมีปัญหากับผู้อื่นอย่างแน่นอนแล้วชีวิตของเราก็จะไม่มีความสุขจะมีแต่ความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา นี่คือบุญที่เกิดจากการ <c oughs> ทำอ่อนน้อมถ่อมตนนะบุญอีกอย่างหนึ่งที่เราทำกันอยู่เสมอก็คือการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ที่สูงกว่าเราเสมอไปเช่น <c oughs> พระภิกษุหรือบิดามารดาผู้ที่เขาได้วกว่าเราเราก็ช่วยเหลือเขาได้รับใช้เขาได้ถ้าเขาเดือดร้อน เช่นคนพิการเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนมีเห็นคนพิการเขาจะขึ้นรถลงรถแล้วเขามีความยากลำบากถ้าเราพอจะช่วยเหลือประครับประคองเขาได้เราก็ควรที่จะช่วยเหลื อ, ห ร, อหรือว่าเราไปอยู่สถานที่ใดเราเห็นว่ามัน <c oughs> สกรปรกถ้าเราพอมีเวลาที่จะช่วยทำความสะอาดได้ ก็ช่วยกันเห็นขยะเกินกาดตามทางตามอะไรถนนถ้าพอมีเวลาเก็บมาทิ้งให้ทิ้งทิงที่กองขยะได้ก็จะทําให้บ้านเมืองเราสะอาดทำให้บ้านเมืองเราเรียบร้อยและก็จะทําให้เรามีความสุขใจเวลาเราเห็นบ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยมันจะไม่นกหูรกตารกใจ แต่ถ้าเราไปไหนเห็นมีขยะเกลื่อนไปหมดตามท้องถนนตามทางเดินตามสถานที่ต่างๆแล้วต่างคนก็ต่างไม่มีใครสนใจกันที่จะช่วยกันรักษาบ้านเมืองของเราให้สะอาดบ้านเมืองของเราก็กลายเป็นบ้านเมืองที่ไม่น่าอยู่และก็ส่งภาพให้เห็นว่าคนที่อยู่นี้ก็ไม่ได้เรื่องไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีการคิดการช่วยเหลือสังคมกันเลยเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่างนี้ก็จะทําให้เป็นบ้านเมืองที่ไม่มีใครเขาอยากจะมาเที่ยวมาเยี่ยมเยียนเราก็จะอยู่แบบเงาเงาเงาอยู่แบบว้าวเวไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่มีความสุขไม่เหมือนกับบ้านเมืองที่สะอาดมีคน ยินดีที่อยากจะมาเยี่ยมเยียนเราพบค้าสมาคมกับเราดังนั้นขอให้เราช่วยเหลือกันและกันเพราะชีวิตของเรานี้มันมีขึ้นมีลงวันนี้เราอาจจะอยู่ข้างบนแต่พรุ่งนี้เราอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้เวลาที่เราอยู่ข้างบนเห็นคนที่เขาอยู่ข้างล่างก็ช่วยเหลือเขาเห็นคนล้มก็ช่วยกันพยุงเขาขึ้นมาให้เขาได้ลุก ได้เดินได้ว่าวันข้างหน้าเราอาจจะล้มลงไปก็ได้ชีวิตของเราวันนี้อาจจะร่ำรวยแต่พรุ่งนี้เราอาจจะยากจนก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้ถ้าเราต่างคนต่างช่วยเหลือกันตามฐานะตามกำลังที่เราจะทำได้ก็จะช่วยผ่อนผ่อนปรนความทุกข์ยากให้เบาบางลงไปหรือให้หมดไปได้ เราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันอย่างมีความรักสามัคคีกันแต่ถ้าเราไม่มีเยื่อใยต่อกันต่างคนต่างอยู่เราก็จะเป็นสังคมที่ไร้น้ำใจไร้ความเมตตากรุณาเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเราก็จะไม่มีใครเหลียว แ, แลเราไม่มีใครดูแลเราดังนั้นขอให้เราช่วยกันรับใช้สังคม รับใช้ผู้อื่นแล้วเราจะมีความสุขในขณะที่เรารับใช้ผู้อื่นเพราะเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นนั่นเองการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี้จะทำให้ความสุขนั้นกลับมาหาที่ใจของเราและในโอกาสที่เราตกทุกข์ได้ยากเราก็จะมีผู้อื่นคอยดูแลคอยช่วยเลรนี่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือ ผู้อื่นบูญอีกประการหนึ่งที่เราทำกันอยู่เสมอก็คือการฟังเทศฟังธรรมอย่างวันนี้เรามาฟังเทศฟังธรรมกันพอเราฟังแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์<ม>คือได้รับความรู้ที่จะทำให้เรามีความสุขใจ<ม>และในขณะที่ฟังใจของเราก็นิ่งสงบใจก็มีความสุข การฟังธรรมนี้ท่านบอกว่ามีอ น, นิสงส์อยู่ห้าประการด้วยกันคือ 1. จะได้ยินได้ฟังในเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. เรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อฟังซ้ำอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น 3. จะกาจัดความสงสัยได้บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอเราได้ยินได้ฟังธรรมะแนละ้วเราก็จะหายสงสัยเช่นเมื่อวานนี้ก็พูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ว่ามันไม่ได้อยู่ข้างบนฟ้าและอยู่ใต้ดินนรกไม่ได้อยู่ใต้ดินสวรรค์ไม่ได้อยู่บนฟ้าแต่อยู่ในใจของพวกเรานรกนี้แปลว่าความทุกใจความร้อนใจส่วนสวรรค์ก็คือความเย็นใจความสุขใจนี่เองนี่ไม่ได้อยู่ นรกและสวรรค์จึงไม่ได้อยู่บนฟ้ายี่อยู่ใต้ดินแต่อยู่ในใจของเราเวลาที่เรามีความสุขใจเย็นใจเช่นในขณะนี้เรากำลังอยู่สวรรค์กันเวลาใดที่เรามีความทุกข์ใจเดือดร้อนใจเวลานั้นเรากำลังอยู่ในนรกกันนี่เรื่องนรกเรื่องสวรรค์พอได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะหายสงสัยทีนี้ไม่สงสัยแล้วว่านารกมีจริงหรือไม่ เกิดจากการทำของเรานี้เองทำดีใจของเราก็เป็นสวรรค์ทำบาปใจของเราก็เป็นนรกมีอยู่ตรงนี้เองนี่คืออานิสงส์ที่จะได้รับจากการได้ยินได้ฟังธรำจะหายสงสัยเรื่องราวต่างๆนอกจากเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วเรื่องเวียนว่ายตายเกิดก็จะหายสงสัยเรื่องมรรคผลผนิพพานเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะหายสงสัยถ้าฟังไปเรื่อยๆและอ น, นิสงส์อีกข้อหนึ่งที่จะได้รับก็คือจะมีความเห็นที่ถูกต้องจะมีความเห็นว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงเมื่อก่อนนี้ไม่เชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงพอได้ฟังเทศฟังธรรมได้รับการอธิบายถึงคําว่านรกและสวรรค์ว่าแปลว่าอะไรแล้วทีนี้ก็หายสงสัยนะ ทีนี้เชื่อแล้วว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงทำบาปแล้วก็จะสร้างนรกให้กับใจทำบุญก็จะสร้างสวรรค์ให้กับใจนี่เป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นความเห็นที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำม า, มาสั่งสอนพวกเราพอเราได้ยินได้ฟังและได้พิจารณาตามเราก็จะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น แล้วเราก็จะไม่ทำบาปอีกต่อไปเราจะไม่กล้าทำบาปเพราะเรากลัวกลัวว่าเราจะต้องทุกทรมานใจนั่นเองเราจะชอบแต่ทำบุญเพราะทำบุญแล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขและประการสุดท้ายใจก็จะมีความผ่องผ่องใสมีความสงบจิตใจก็จะสะอาดขึ้นไปตามลาดับ ความสกปกของใจนี่เกิดจากความไม่รู้เกิดจากความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวจึงทำให้โลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็โกรธโกรธเวลาที่ไม่ได้ตามที่ต้องการตอนนี้รู้แล้วว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่เป็นคุณค่ายิ่งกว่าการทำบุญต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไร พอเราไม่อยากได้อะไรเราก็จะไม่มีความโกรธเมื่อไม่มีความโกรธใจของเราก็จะสะอาดขึ้นไปเพราะสิ่งที่ทำให้ใจของเราไม่สะอาดก็คือความโลภความโกรธ ค, ความหลงนีง่นี่คือบุญต่างๆที่เราทำกันอย่างสม่าเสมอก็ขอให้เราพยายามทำกันต่อไปให้มากๆเพื่อเราจะได้มีเงินมีบุญฝากไว้ในธนาคุณไว้มากๆ แล้วสักวันหนึ่งเราก็จะสามารถถอนบุญเหล่านี้ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เอาบุญนี้ไปซื้อมรรคผลนิพพานได้เอาบุญนี้ไปซื้อการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านได้ทํากันท่านก็สะสมบุญบุญกันไปเรื่อยๆแต่แต่ละภพแต่ละชาติจนเมื่อได้สะสมจนเต็ม ที่แล้วท่านก็ถอนออกมาแลกเป็นมรรคผลนิพพานแลกเป็นพระพุทธเจ้าลากเป็นพระอาหารหันต์ได้ได้จากบุญที่เราทํากันอยู่ในขณะนี้นั่นเองยิงขอให้พวกเราจงมีความเชื่อมั่นต่อการทำบุญและขอให้ทาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ได้อย่างทาวรนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณขสีรัตนาไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขรักความเจริญด้วยอายุวันละสุขขาดภาระโดยทั่วหน้ากันท